ธรรมชาดกแผ่นที่สิบสองลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าพระเจ้าพิมพิสารเห็นเปรตวันนี้เป็นวันที่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 การในมนครูบาอาจารย์ก็อยากจะได้หลวงปู่หลวงตาที่เป็นหัวหน้าวัดนะไปแต่ว่าหลวงปู่หลวงตาหัวหน้าวัด เ, เป็นพระสาธารณชนจะไปข้างใดข้างหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อย่างไรหลวงพ่อต้องมองดูว่าจุดไหนที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในความรู้สึกของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปจุดนั้นพราะอย่างนึงอย่างใ น, นก็ในหมู่บ้านของหมู่บ้านนาะคำน้อยก่อนเนี่ยะทําบุญสนุกสนานมาลมมาตุมมาตุมมาลมตั้งแต่เมื่อวานนหมอลําสิ่งหมอลำมํำบุญก็สนุกสนานกันพอสมควร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 พวกเราที่อยู่เบื้องหลังไม่มีอะไรจะทดแทนพวกเราได้มาเดินังกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัิธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบา ร, รมีสิบทัศส0สบทัศในที่บริเวณแห่งนี้วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้พวกเราได้บำเพ็ญกุศลเพราะนั้นเราล้เลึกถึงพระคุณพระคุณท่าน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 มาคบูชาด้วยนะเป็นวันพระใหญ่วันที่สเป็นวันมาฆ้าบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะได้มาร่วมกันตักบาตรเสร็จแล้วก็เข้ามาสัลาก็คงจะมีการไหว้พระสมาทานศีลห้าจากนั้นก็ได้กล่าวคำถวายทานอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณสำหรับพวกเรา เพราะนั้นในงานนี้กับหลวงพ่อเองก็ไม่ได้จัดงานหรือว่าจับเรื่องงานใหญ่แต่ผู้ใดได้ยินก็มาพระสงฆ์ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่รู้จักมักคุ้นเข้ามาแต่โรงทานมีไม่มีผู้ใดต้องการอยากจะมาทําโรงทานเลี้ยงแขกคนเลี้ยงพระสงฆ์มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลก็เข้ามา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 ไปเข้าบัญชีเพื่อสร้างเจดีย์พิธธพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงพ่อได้รับไว้แล้วว่าจะสร้างเจดีย์ถวายอถวายองค์หลวงตาเนี่ยเป็นหาบิจฉบูชาเนี่ยห้าสิบล้านบาทนีอย่างที่หลวงพอ่อประกาศแล้วประกาศอีกคําประกาศออกไปนี่แปลว่าคําไหนก็ต้องให้ให้ได้สําเร็จแต่การสร้างพระเจดีย์นั้นยัง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 เพราะนั้นคือแจ้งข่าวให้กับพระนสท า, ญญายาทจวมลูกหลานได้ทราบทุกขูทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพูดไปแล้วนะสรุปรบท้ายทุกครั้งว่าพวกเราไม่ต้องหนักใจให้ฟังเอาไว้คํานี่ไม่ต้องหนักใจทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเต็มใจจะมากหรือน้อยตําด้วยความศรัทธาอย่างหลวงพ่อประกาศหลวงพ่ อ, พอประกาศด้วยศรัทธาคือความเชื่อ ในองหลงต า, าว่าจานวนเท่านี้แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะหงายหลังไปกวนละทธิทางเหมือนกันแต่หลวงพ่อนเฉยเสบายใจคิดว่าไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> เพราะศรัทธาของหลวงพ่อเองเป็นหลัก <c oughs> วันนั้นขอประกาศให้คณะสัาญญาตยาจมลูกหลา น, นวันที่วันดังกล่าว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 ความแปลหรือความหมายน้ำโมดังกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็คือพระองค์ไหนพระองค์คือพุทธมีองค์เดียวเอในครั้งนี้ยุคนี้สมัยนี้มีองค์เดียวคือพุทธเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราจึงระลึกถึงพุทธอจากนั้นพุทธทางทำมังสังขังยึด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 ถึงพวกท่านทั้งหลายแน่ๆเ น, นี่ท่านก็ได้ไน้นำทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนอย่างไรท่านก็ยึดตามแนวแถวพุทธธรรมสงฆ์จากนั้นท่านก็ด้นำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรท่านก็ได้นำทาคำสอนที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมันบอกเราอีกบอกมาบอกพวกเราจุดนี้เป็นจุดที่จาเป็นสาคัญ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 ให้สกัดเอาไว้ทำมันขนองนะทามันซึมเศร้าเราต้องะระลึกถึงพระคุณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเออไปซึมเศร้าเพื่ออะไรให้โง่าทาไมเออเราต้องพยายามเออดูจิตดูใจของตนเองนะเออเรือเรือเรา่มีลุ่มหลงในกรรมกิเลสต้องพิจารณาอสุภะนะแน้นเรื่องอสุภะนะร่างกายสร้างขานมันมีแต่ของ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 เพราะนั้นอย่างว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะให้ธรรมะที่จะรื้อพบรื้อชาติไม่ให้ไม่แห้มาเวียนไหวตายเกิด อ, อถ้าเวียนไหวตายเกิดอีกถ้แกเจ็บตายก็จะต้องตามมามันไม่หลีกลี่หนีไม่พ้นเออเพราะนั้นเ อ, อการลำลึกถึงพระคุณเหล่านี้แหละแต่พระคุณเหล่านั้ น, น, นที่ลุงพ่อพูดมาทั้งหมด อ, อตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่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 อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอวันนั้นหลวงพ่อจึงมีการกําหนดขึ้นมาเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มี อ, อุปรกรณคุณดังกล่าวนะทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็เคยยกองค์หลวงตามาเป็นแบบฉบับมาเป็นแบบอย่างคือองค์หลวงตาคือโยมมารดาของท่านได้มรณภาพลงไปเป็นแม่ชีนะที่มัดป่าบ้านตาจากนั้นท่านก็ถึงครบปีท่านก็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 ถ้าไปเกิดเป็นพรมท่านก็อยู่ในฐานะพรมสวยความสุขปีติสุขเอกะกะตาก็จบไปถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อาหารมนุษย์ก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉานฉัตถิฏฐิฉาญแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันเราอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้รับทั้งหมดถ้าไปตกนรกกับมรรคเกินไปไม่อยู่ในกองขังยื่นก็ไม่ถึงไปในไปชนีสงไม่ถึงค่ะ ถ้าว่าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานแต่ละประเภทเออกกรรมของใครของเราเขาใช้กรรมอยู่อืส่งให้ไม่ถึงแต่เปรตสุรกายเปรตวิสัยในร่องรอยบุญก็ไม่มากมากบาปก็ไม่มากพอตายไปแล้วแปลว่าร่องรอยเออถ้าวาญาติพี่น้องของเราในอดีตชาติเออไปเกิดขึ้นมาในภพพุทธศาสนา แล้วเราจะจะอยากจะแล้วก็เขาไปรอคอยเออท่านถ้าทำท่านทําแล้วเนี่ยท่านอุทิศส่วนกุศลให้เราไหมถ้าท่านอุทิศส่วนกุศลให้เราเราก็ได้รับในบุญกุศลที่เขาอุทิศให้นั้นนั่นคือพวกเปรดเปรดไอ้สุรขายเปรดที่ใช่เปรดคําว่าเปรดคำนี้คือคือวิญญาณไม่ใช่ว่าเป็ดที่เป็นผมยาวขายาวตัวผอมไม่ใช่อย่างนั้นนะคล้ายๆก็ว่าใช่บุพกรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ว่า อันนี้ก็คือดวงวิญญาณแสดงออกซึ่งถึงถึงซึ่งความทุกข์ในอัตภาพของเป็นเปรตนั่นคือคือดวงวิญญาณแสดงออกอย่างที่เปรตพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นตัวอย่างนะเมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตชาติท่านเป็นขุนคลังนะขุนคลังของพระพุทธเจ้าปทุมมตระนะเป็นขุนคลังของกุมาร เคยๆว่าเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าชายสามท่านแต่มาพบนิชาตินี้ท่านได้เป็นอุรุเวลานาทีกัตตาปะนะแต่พระเจ้าพิมพ์ิสารเป็นขุนคลังเวลาจะทําบุญน่ยกับขุนคลังก็เบิกเงินแล้วก็ให้บริวารให้ไปทำทำโรงทานทําอาหารเลี้ยงพระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้าแต่ใหม่ๆก็ดีทําดีด้วยความจงรักภักดี ท, ทําด้วยความครบรส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 บาปกรรมตัวนั้นเนี่พอตายไปขุนคลังเขาได้บุญเด้เพราะขุนคลังเนี่ยเขาทำด้วยศรัทธาเนี่ยเปิก เ, ปกเบิกออกมาเท่าไหร่ก็ให้เขาไปแต่คนเอาไปดำเนินการน่นะไม่ถูกเเนี่ยไปกินของที่ถวายพระพุทธเจ้าพระหรันตสาวกน่ยโภชนสูตรตายลงไปขุนคลังกไปสู่สวรรค์เอแล้วก็เออ เจ้าฟ้าชายสามคนกับบริวารอีกพันพันคนไปสู่สวรรค์ทั้งหมดแต่พวกบริวารเนี่อบริวารที่ทําอาหารเนี่ยตกนรกเถอยพอตกนรกมาเป็นเปรตเนี่ยเป็นเปรตที่หิวโหวยเพราะบาปกรรมตัวนั้นให้ผลไม่รู้ว่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ยาวนานทีเดียวจนมาถึงพระพุทธเจ้าของเรานอพระโคตมะ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่นานก็มาปลดะฉลิทธิ์สามพี่น้องอุลุเวลานาทีกตปะขยากัตปะคือเจ้าวัดชา ย, เ, ยเจ้าว้าชายมีบริวารัคนพี่ชายได้หนะทหาร500ติดตัวนคนที่สองเนี่ยคนที่สองคนที่สามเนี่ยรวมแล้วเป็นรวมกัน ทั้งพี่ทั้งน้องสามพี่น้องเนี่ยได้บริวารพันพันคนบดีรรวมทั้งหัวหน้าสามพี่น้องเนี่ยเป็นพันสามพันสามท่านอเออเีนี้ก็พระพุทธเจ้าจะไปโปรดรุเวลากัะปะพี่ชายใหญ่เกิดความพคารพนับถือเลื่อมใสบวชที่เป็นนับที่เป็นลือสีที่ปฏิปภุธพดดูที่กรุงราชคือ พอบวชเสร็จแล้วก็ น, น้องชายคนที่สองบวชบริ บ, บราลอีกสามร้อยพอน้องสายคนที่สามบวชบริวาลสองร้อยรวมแล้วเป็นฤาษีเหล่านี้นะอรู้เวลานาทีขยะกัจจปันพันกับสามคนแต่พระเจ้าพิมพ์ิสารเป็นขุนคลังมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคัก์นะาจากนั้นพระพุทธเจ้ามาโปลด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 อกับเวียงวังด้วยความปีติอินดีปริ่มใจอิ่มใจ <Ừ. S 1> เพราะคนท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านไม่ได้คิดอย่างอื่นแล้ว <Ừ. S 1> เพราะท่านได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันแล้วอแล้วก็ลูกพี่ที่เป็นที่เคารพนับถือเริ่มสายกระบวดเป็นพระหมดแล้วอุรุเวลานาทีกระตับะอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ท่านเสด็จมาที่เวียงวังแล้วเปรตอย่างที่ว่าเนี่ยเปรตที่ทํากินอาหาร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 นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเจ้เนี่พราะมันเห็นผิดปกติตะก่อนไม่เคยมีในเวียงหวังทําไมจะว่าคนก็ไม่ใจปิดหน้าตูงหน้าต่างใส่กรอนอย่างดีมันมันเข้ามาได้อย่างไรผลดีชัว ก, กันเนี่ะนอนไม่หลับทั้งคืนพอพรุ่งนี้เช้าเอาออกไปกราบพระพุทธเจ้าแต่เช้ามืดเลยเจ้เนี่ยพระพุทองค์ก็รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับนะพระองค์ก็ถามว่ามหาโมเพทไปไงบรรทมสลับ น, นอนหลับดีอยู่เหรอ โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนไม่หลับทั้งคืนพระเจ้าค่ะทำไมเพราะไม่รู้อะไรเสียงอีลุงตุงนางตรุกตุงตังไปหมดอีกแต่จังหวัมองชัดๆก็ไม่ใช่แต่เห็นว่ามันตัวผมผมยาวๆผมอะไรมันดูๆมันน่าเกลียดน่ากลัวไปหมดอยู่ในเวียงวังพระเจ้าค่ะเออนั่นล่ะเป็นญาติของพระ อ, องค์ในอดีตเน่เมื่อพระ อ, องค์ทำบุญถวายแผ่นดิน ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้อุทิศสวนกุศลให้เขาเนะมื่อวานนี่โอ้ท่านอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทําบุญอีดบวยเทินวันวันวันต่อไปข้าพระองค์จะทําบุญอุทิศสวนกุศลให้เขาพระพุทธองค์เมื่อเขางกราบระาตนาอย่างนั้นโดยตามประเพณีของพุทธะแล้วท่านจะนิ่งเงียบไปวรับหละคําวันนิ่งเงียบไปวรับหละเพราะเจ้าปีนพิสารครู้แก่ใจว่าพระพุทธองค์รับแล้ว ก็ขอในมลพระองค์ไปฉันในเวียงวังฮะเพราะว่ามันเกิดเรื่องในที่นั่นฮะจากนั้นพระเจ้าพิมพิฐานก็ทําบุญอุทิศสวนกุศล อ, อมีข้าวน้ําโภชนะอาหารเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวบอกเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้เญาติพี่น้องของข้าพเจ้าในอดีตชาติที่ตกทุกข์ยากอย่างไรอยู่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 พอตกกลางเคินมาจะเนีเปดเหล่านั้นเนี่ยตัวที่ผอมๆเอ่อยาวๆอะไรดวงดูสิล่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์เท่นี่เอออ้วนท้วนสมบูรณ์ล่างกายรู้สึกว่าเซ็ตสวยงดงามแต่ไม่มีผ้านุ่งเท่นี่ไม่มีไม่มีผ้านุ่งไม่มีเสื้อผ้าเอ่อเปลื่อยกายพระเจ้าพิมพิสารก็เห็นอีกเนี่ยตอนนี้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าเออ ม, มหาบพิษเมื่อวาน ได้ทำแต่อาหารไม่ได้ทำไม่ได้ถวายผ้าให้กับเขาเพราะนั้นเขาจึงไม่มีผ้านุ่งโอ้ทางงั้นข้าพระองค์ขอทําบุญอีกรอบสองพระเจ้าข่าพระองค์ก็เน่งอีกเพอถึงวันลุงขึ้นพระเจ้าพิมพิสากรก็เตรียมผ้าแล้วก็อาหารด้วยผ้าผ้าด้วยแล้วกอุทิศส่วนกุศลพอเสร็จแล้วท่านเนี่หายเงียบไปเลย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 ในเมื่อพน้นออกจากห้องขังแล้วนะ่ออกมาเป็นอิสระเป็นไทยแล้วนะเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะขายที่ดินพร้อมที่เงินธนาคารเขาก็พร้อมที่จะได้รับนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละในเมื่อเขาใช้กรรมเขาก็หิวโหวยทุกยากเพราะเขาเขาทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้น เ, เมื่อเขาพน้นจากกรรมนั้นแล้วนะบุญกุศลที่เขาทาในอดีต ม, มันก็มาเข้ามาหาเขาบางคนก็เป็นเศรษฐีได้อีกเหมือนกันนะ่ะ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 หลวงพ่อจะต้องมองสูงมองต่ำมองซ้ายมองขวามองรอบด้านและจะเดินยังไงพาคณะสิทธิ์ศรัทธาญาติโยมไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะหลวงพ่อจะพาดำเนินเดินตามไปแนวแถวที่เป็นธรรมนั้นๆ เ, เราจะอ่างทั้งพระไตรปิฎกกระช่ายอ่านถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลวงตาพาดำเนินอย่างนี้กเ็เป็นแนวแถวที่ท่านพาดาเนินมา